4. พญานาคขราที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรทั้ง7สมุทรหค่ะพญานาคขราที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน 6. พญานาคขราที่อาศัยอยู่ในภูเขา 7. พญานาคขราที่อาศัยอยู่ในวิมานหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิมนะคะพญานาคที่กล่าวมานี้เนี่ยเป็นพญานาคที่ปรากฏอยู่ในชาดกทางพระพุทธศาสนานะคะ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 แต่ว่ากิ่งทรยเนี่ยทานน้าหนักไม่ไหวก็เลยหักลงมาพญาเวนไตแลเห็นว่าบนกิ่งทรมีพวกฤาษีแคระซึ่งเรียกว่าผานขี้ยะมีขนาดเท่านิ้วมือเนี่ยก็เลยเอาอุ้งเท้าเนี่ยจับกิ่งทรแล้วก็บินพาไปวางที่เขาเหมมากุดนะคะพวกฤาษีเห็นว่าพญานกมีจิตใจงดงามก็เลยเรียกว่าครุดค่ะแปลว่าผู้รับภาระอันหนักอึ้ง